ช่วงนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างมีแต่ข่าวยกน้ำแข็งลาดใส่ตัวเนาะใครลาดมาแล้วบ้างเนี่ยมีใครโดนท้าไปหรือยังเริ่มต้นเขาก็คิดดีนะทำการกุศลใช่ไหมแล้วอยากจะให้กุศลอันนั้น แผ่ไปให้เร็วๆ ก, ก็มีคิดรูปแบบท้ากันต่อๆไปเรื่อยๆตอนนี้ก็กลายเป็นทุกข์ใจของคนบางคนทำไมไม่มีใครท้าชันสักทีสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองน่าจะเป็นเซเล็ฉันก็ดังแล้วทำไมไม่เห็นมีใครนึกถึงฉันบ้างเล ย, เลยคนไทยบางคนก็ คิดใหม่นะลดน้ำมนต์อาตมาลองคํานวณดูนะคนหนึ่งท่าไปสามอีกสามท่าอีกสามใช่ไหมก็จะท่าไปเรื่อยๆแค่สองอาทิตย์นี่นะถ้าเขาทําตามกติกาไปเรื่อยๆเนี่ยนะแค่สองอาทิตย์ทุกๆวันไปเรื่อยๆเนี่ยมันร้อยกว่าล้านคน เมืองไทย ร, รีบเล่นซะนะเดี๋ยวหมดแล้ว <laughs> ถ้าเขาเล่นกันต่ออย่างนี้นะหมดหมดแน่เลยโดนมาถึงพระด้วยแหละ <laughs> คนไทยนี่นะรวมถึงพระด้วยนะเจ็ดสิบกว่าล้านใช่ม <laughs> เล่นอีกสิบกว่าวันหมดละ <laughs> <laughs> ตอนนี้มาถึงเด็กๆแล้วนะมีลูกศิษย์อาตมาอยู่ป .5 เนะี่ยออกคลิปถ่ายรถ <laughs> ตัวเอง ส่งต่อคำท้าด้วยอีก3มคนจริงเนี่ยเรื่องส่งต่อคำท้าเนี่ยนะพระเจ้าเจ้าท้ามาก่อนที่เราสวดมนต์กันเนี่ยนะจะมีบทธรรมคุณเนี่ยเป็นคำท้านึกออกไหมคำไหนเอหิปัดสิโกจงมาดูเถิดนี่นเป็นคำท้า แต่ท่านไม่ได้ท้าสามคนท้าทุกๆคนท้าทั้งเทวดามารพรมรวมทั้งมนุษย์เราด้วยจงมาดูเถิดจงทำตัวเป็นภาชนะทองคำรองรับพระธรรมไม่ใช่เอาถังพลาสติกมาพวกเราตอนนี้ภาชนะของเราเป็นยังไงกายใจของเราสะอาดดีหรือเปล่าจะรับธรรมะได้เนี่ย ต้องชำระกายชำระใจให้สะอาดเป็นภาชนะที่สูงค่าเพื่อรองรับพระธรรมพระธรรมไม่ใช่เป็นถังน้ำแข็งน่าสงสารบางคนนะมีถังน้ำแข็งอยู่ข้างบนแล้วก็ให้คนอื่นช่วยเทให้นะมันลงมาทั้งถัง่ะโดนหัวเจ็บ <laughs> แต่ธรรมะเนี่ยคงไม่หล่นมาโดนหัวอย่างนั้นนะธรรมะคือเป็นคำสั่งสอนธรรมะเนี่ยมีความหมายหลายแงย่หลายแงยม่มุมแง่มุมกว้างกว้างที่สุดเลยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างบรรดามีเรียกว่าธรรมะทั้งหมดก็คือหมายรวมถึงทำที่ปรุงแต่งทั้งหลายและทำที่ไม่ปรุงแต่ง รรทำให้ปรุงแต่งทั้งหลายคือธรรมะที่เรารู้จักกันรรทำให้ไม่ปรุงแต่งก็คือนิพพานนี่คือธรรมะในแง่แง่มุมหนึ่งถ้าใช้ศัพท์ง่ายๆจะว่าธรรมชาติก็ได้แต่ธรรมชาตินั้นได้แค่ธรรมะถ้าเอาเอาตามศัพท์แท้ๆนะธรรมชาติยังเป็นคําว่าชาติแปลว่าการเกิด ยังเป็นธรรมฝ่ายเกิดต้องมีธรรมฝ่ายดับด้วยดังนั้นถ้าพูดถึงธรรมชาติเอาให้ความหมายเปะ๊เปะๆมันจะครอบคลุมเพียงแค่ธรรมะในขั้นปรุงแต่งมีเกิดก็มีดับมีเกิดก็มีดับไม่ครอบคลุมถึงนิพพานแต่ถ้าเอาตามความหมายของความรู้สึกของคนไทยทั่วๆไปธรรมชาติก็คือสิ่งทั้งหลายบรรดามีแต่ถ้าธรรมะอย่างเดียวจะคลุมไปถึงนิพพานด้วย ธรรมะอีกแง่หนึง่งก็คือความเป็นไปของธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยมีความเป็นไปคือไม่เที่ยงมีสิ่งนี้เกิดขึ้นมาเป็นเหตุให้อีกสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆเป็นกระบวนการเป็นกระบวนการทเป็นกระแสไปอันนี้เรียกว่าเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของธรรมชาตินั้น อีกแง่มุงแล้วนะแง่แรกคืออะไรก็ได้ทุกๆอย่างเลยธรรมะในแง่ที่สองคือกระบวนการของธรรมชาติที่สืบต่อเนื่องเป็นกระแสเช่นปฏิจจสมุปบาทเ น, น, นะมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงทําให้เกิดสังขารปรุงแต่งประมาณอย่างนี้หรือเอาสั้นๆง่ายๆก็คือเพราะมีกิเลสจึงสร้างกรรมเพราะทากรรมจึงมีวิบากพอรับวิบากก็มีกิเลสตรงนี้ส่งกระบวนร กลายเป็นวัตตะวนอยู่อย่างนี้คือความจริงของธรรมชาติที่มันดาเนินไปเป็นกระแสจริงๆแล้วธรรมะความหมายของธรรมะเนี่ยแค่สองแง่เนี่ยก็น่าจะครอบคลุมลวแต่มันยังไม่มีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์อะไรกับพวกเราทั้งหลายที่จะแล้วมันจะมีประโยชน์อะไร จึงมีธรรมะอีกแง่หนึ่งคือแล้วคนจะไปยุ่งเกี่ยวกับธรรมะอย่างเงี้ยเพื่อให้ได้ประโยชน์เพื่อให้ทุกน้อยลงหรือทุกหมดไปเนะี่ยได้อย่างไรคราวนี้กลายเป็นวิธีการที่พวกเราจะปฏิบัติอย่างไรกับธรรมะที่เราเกี่ยวข้องด้วยก็กลายเป็นคําสอนวิธีการเนี่ยนะวิธีการเนี่ยเป็นเรียกว่าธรรมจริยา ทำอย่างไรที่เราจะเกี่ยวข้องกับธรรมะนี้โดยไม่ทุกข์และคนที่ค้นพบก็คือพระพุทธเจ้าหรือพระปัจเจกพุทธเจ้าแต่พระปัจเจกพุทธเจ้าท่านค้นพบแล้วท่านดูแล้วดูหน้าแต่ละคนไม่สอนเพรว่าบุญไม่พอ <c oughs> แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอน <c oughs> คำสอนของท่านเรียกว่าธรรมเทศนา ธรรมเทศนาก็คือคำสอนบอกว่าควรจะมีธรรมจาริยาอย่างไรกับธรรมชาติให้รู้จักธรรมดาเหล่านั้นมีสสี่แบบนะธรรมสี่แบบธรรมชาติธรรมดาธรรมจาริยาและธรรมเทศนาพวกเราฟังแล้วก็ไปรรมานุธรรมะปฏิบัติปฏิบัติให้สมควรแก่ธรรม ทำน้อยคล้อยตามทำใหญ่เอาไปปฏิบัติต่อเรียกว่าเมื่อปฏิบัติแล้วจะได้ลิ้มรสพระธรรมได้อาบธรรมะเป็นลำดับลำดับไป mm hmm. ธรรมะจะชุ่มเย็นเย็นแบบสบายๆไม่จะเดินแบบหนาวสัน่นขอส่งต่อคำถ้าเคยคนอาบแล้วก็หนาวสัน่นเนอ เราอาบธรรมะแล้ว น, นนะชุ่มเย็นยังไงนี่ย น, นะเราก็อยากจะบอกต่อให้คนที่เขากำลังทุกข์อยู่เนี่ยให้ได้รับความชุ่มเย็นแห่งธรรมะนั้นต่อคำที่เราบอกต่อเนะี่ยมักจะเป็นคำท้าท า, ายมาดูสิแต่ไม่ใช่ท้าทายแบบนักเลงท้าทายเพื่อให้เขามาดูเนี่ย น, นะบางทีก็ท้าทายเพื่อปลุกวิริยะของเขาขึ้นมาบางทีก็ปลุกฉันทะขึ้นมา บางทีก็ปลุกจิตตะคือความใส่ใจบางทีก็ปลุกปัญญานะแล้วแต่ธรรมะที่พระองค์ทรงแสดงแล้วแลวเราปฏิบัติแล้วเห็นผลมันจะได้รับรสของพระธรรมได้ความยินดีในธรรมะความยินดีอื่นใดไม่เทียบเท่ากับความยินดีในธรรมเวลามีสติขึ้นมาครั้งหนึ่งเห็นความจริงครั้งหนึ่งเนี่ยจะได้รับความยินดีแบบหนึ่ง พอมีสมาธิเห็นจิตไหลไปครั้งหนึ่งจะได้ความยินดีอีกแบบหนึ่งเห็นกระบวนการทำว่าจิตมันทำงานเองจะได้ความยินดีอีกแบบหนึ่งรู้สึกกันไหมเห็นเป็นขั้นตอนไปว่าไอ้ตอนแรกเนี่ยที่เห็นเห็นกิเลสตัวเองครั้งหนึ่งที่เห็นแบบสติแท้ๆนนะจิตมันตื่นแบบหนึ่งพอเห็นซ้าๆรสชาติชักซ้าเดิมชักเฉยๆชักชินกับการมีสติเห็นกิเลสตัวเอง ต้องเห็นอีกเห็นว่าจิตมันไหลคราวนี้มันไม่จะบอกว่าเป็นกิเลสก็ยากแต่เห็นจิตมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเองคนที่ดูจิตผิดผิดก็คือไม่ได้ดูกิเลสตั้งใจจะไปดูตัวจิตซึ่งหาไม่เจอจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์แต่ไม่มีตัวตนไม่มีก็เรียก ไม่มีไม่มีอะไรที่จะไปจับมันได้สำหรับคนที่ฝึกใหม่ๆเนี่ยนะเพราะมันเป็นนามธรรมไม่มีแสงไม่มีสีไม่มีอะไรไปสัมผัสจับมันได้นอกจากจะใช้สติไปดูสิ่งประกอบของมันครูบาอาจารย์ท่านเปรียบดีต้องบอกว่าเหมือนมีคนมีวิชาหายตัว แล้วเดินเข้ามาในที่นี้เราอยากจะรู้ว่าเขาอยู่ตรงไหนทำยังไงดีมีวิธีไหมะสะ์แป้งแป้งฝุ่นเนี่ยนะสไปสมมติเขายืนอยู่ตรงนี้นะหายตัวอยู่เนี่ยเรามองไม่เห็น น, นะสะดแป้งไปเนี่ยแป้งจะไปเกาะตัวเขาเราก็เห็นแป้งไม่เห็นตัวจิตเนี่ยมันเป็นอะไรใสๆเหมือนคนที่หายตัวอยู่เนี่ยจะ ไปดูจิตโดยตรงเนี่ยนะมันยังไม่ถึงขั้นนั้นเราจะต้องไปดูส่วนประกอบของจิตที่เรียกว่าเจตสิกเจตสิกเนี่ยสับคำนี้ตอนอาตมาบวชเนี่ยนะบวชใหม่ๆเนี่ยได้ยินสัพท์คำนี้ทีแรกเนี่มึนงงไม่เคยได้ยินแต่ถ้ามาเปรียบจัดเข้าชุดในขันห้าจะเข้าใจง่ายขึ้นขันห้ามีอะไรบ้างมีรูป เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ5อย่างเนี่นะเราจะมาศึกษาเรื่องจิตคือเป็นนามธรรมก็ตัดรูปไปก่อนเหลือนามธรรม4อย่างคืออะไรเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณวิญญาณเนี่ยคือจิตอีก3าตัวนี่คือเจตสิกวิญญาณอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าจิต3ตัวที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยรวมแล้วเรียกว่าเจตสิก คือส่วนประกอบที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตแต่ไม่ใช่จิตเป็นคุณสมบัติของจิตเราจะรู้จักจิตได้ยังจับวิญญาณได้ไม่ไม่ได้โดยตรงนี่นะก็มาดูส่วนประกอบของจิตที่เกิดขึ้นพร้อมกับจิตสรวจอารมณ์เดียวกับจิตเกิดดับพร้อมจิตนั่นคือดูเวทนาสัญญาหรือสังขารหมายความว่าไปดูความสุขความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับจิตจิตเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ ถ้ามาเห็นตัวนี้ก็ไปดูสังขารสังขารคือเดี๋ยวจิตก็ดีเดี๋ยวจิตก็ร้ายเดี๋ยวจิตก็เป็นบุญเดี๋ยวจิตก็เป็นบาปเดี๋ยวจิตก็เป็นกุศลเดี๋ยวจิตก็เป็นอกุศลเดี๋ยวก็มีราคะเดี๋ยวราคะก็ดับไปเดี๋ยวก็มีโทสะเดี๋ยวโทสะก็ดับไปเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็ฟุ้งซ่านเดี๋ยวก็หดหูจะเห็นว่าจิตมีอยู่โดยการไปดูเจตสิก คำว่าดูจิตหรือจิตตานุปัสสนาเนี่ยท่านสอนหมายถึงรวบเอาว่าจิตหมายถึงนามธรรมแล้วไปดูตัวนี้ก่อนดูตัวเจตสิกนี้ก่อนคือดูตัวนามธรรมที่สามารถดูได้เพราะท่านเวลากล่าวถึงจิตตานุปัสสนาเนี่ยขึ้นต้นเลยบอกว่าจิตมีราคะให้รู้ว่าจิตมีราคะจิตไม่มีราคะก็ให้รู้ว่าจิตไม่มีราคะไม่ใช่ดูจิตตรงๆดูว่าจิตมันมีอะไรอยู่ มีราคะให้รู้ว่ามีราคะราคะดับไปให้รู้ว่าราคะดับไปจิตมีโทสะให้รู้ว่ามีโทสะโทสะดับไปให้รู้ว่าโทสะนั้นดับไปให้ดูส่วนประกอบของจิตราคะโทสะโมหะฟุ้งซ่านโนโถเนี่ยมันอยู่ในเรื่องของสังขารจิตมีความสุขมีความทุกข์ถ้าว่าตามศัพท์แล้วคือจิตมีสมมนัตหรือจิตโทมนัตหรือว่าเฉยเฉยนีย ก็เป็นส่วนของเวทนาเวทนาเนี่ยก็เป็นอีกบับพะหนึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งในการดูหรือในการเจริญสติการเจริญสติมีอยู่4ข้อใช่ไหมมีอยู่สีฐานกายานุปัสนาสติปฐานเวทนานุปัสนาสติปฐานเวทนานีนาน่ก็คือมาดูส่วนประกอบของจิตในอีกแง่มุมหนึ่งอันนี้เรียกว่าท่านส่งคําท้า ส่งคำท้าแล้วก็บอกวิธีทําให้ด้วยทําแล้วให้อย่างไรให้ถังไม่หล่นมาโดนหัวทำยังไงที่จะได้รับรสพระธรรมโดยที่ไม่ไม่ผิดพลาดส่งคำท้าบอกปลายทางว่าปลายทางคือความความที่พ้นทุกข์ไปเนี่ยมีจริงเส้นทางที่จะปฏิบัติเพื่อให้ถึงความมดทุกข์เนี่ยทอย่างไรบอกด้วยไม่จะท้าแบบ ท้าลอยๆอท้าแล้วบอกวิธีทำให้ด้วยแต่ก่อนที่ท่านจะท้าเนี่ยท่านทำได้ก่อนอันนี้นะที่สำคัญคือทำแล้วเห็นผลแล้วแล้วท้า